วันมงคลพอพวกเราผู้มีจิตศรัทธาสาธิชนทั้งหลายได้มาร่วมกันถวายผ้ากฐินธรรมานโดยมีครอบครัวประสานเนตรคือพ่อสมเพศแม่สงกรานยมพยอมโยมพเยาวและญาติมิตรทั้งจากใกล้จากไกลหล้นทั้งชาวบ้านถ้ามาไฟหวานบุญที่เราบาเพ็ญในวันนี้นะเป็นมหาบุญมหากุศล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 ของชาวพุทธเรานะถ้าพ้นวันลอยกระทงไปแล้วนะก็ทำไม่ได้นะจะทำได้ในรูปอื่นเช่นผ้าป่านะอันนี้ผ้าป่าทำได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาแต่ก็อย่าทอดผ้าป่าตอนดึกนักนะเพราะว่าพาก็ต้องหลับต้องนอน ผาป่านี่ทําได้ทั้งปีนะแต่ว่ากรถินนี่ทำได้เฉพาะช่วงนี้แหละนะจึงเรียกว่าการละทานและเพราะเหตุว่าทําได้เฉพาะ30วันในหนึ่งปีแล้วก็วัดหนึ่งนี่รับได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นงานใหญ่นะกรถินเนี่ยสิ่งสําคัญนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือผ้าเรียกว่าผ้ากรถินนะสมัยก่อนก็ถวายแต่ผ้า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 ในทางอุตธศาสนาเนี่ยการทำบุญน่สิ่งสำคัญไม่ใช่เงินนะโดยเพราะการทอดกรถินก่อนทอดกฐถินเนี่ยสิ่งสำคัญคือผ้าสมัยก่อนเนี่ยเงินไม่มีนะไม่ได้เป็นบริวารหรือด้วยซ้ำและการถวายผ้าเนี่ยก็มุ่งนะถวายให้กับพระที่มาจำพรรษาที่เป็นผู้ปฏิบัติดีนะอยู่ในพระธรรมวินยัยนะแล้วก็มี ความประพฤติที่เรียบร้อยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะบวชได้นานๆนะไม่ใช่รับกระถินวันนี้พรุ่งนี้ศึกนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ภาคกระถินเนี่ยเพื่อถวายกับพระ mm hmm. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท่านตั้งมั่นในชีวิตพรมจันทนระ์นะการีการก็เป็นการอนุโมทนาพระสงฆ์ที่สามัคคีกันอยู่กันตลอดครบถ้วนไตรมาสสามเดือนนะมีความสามัคคีกัน แล้วก็ปรองดองกันนะเวลาจะเลือกว่าพระรูปใดจะรับกรถินก็มีมติเป็นเอกฉันเรียกว่าฉันทานุมัติมีความเป็นสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่ามีความสมัครคีกันเพราะว่าถ้าทะเลาะเบาแหวงกันก็ต้องมีคนค้านเสียงหนึ่งบ้างสองเสียงบ้างจะมีคนค้านเสียงเดียว2เสียงก็ก็ไม่ได้นะต้องเป็นเอกฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทอดกรถินเนี่ย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 ไม่ได้แปลว่าผู้ที่รับใช้วัดนะบางคนมารับใช้วัดแลบ่อยๆล้วก็เรียกว่าทายกนะแต่ยิ่งทายกเนี่ยคือผู้ให้นะถวา ย, นะ อ, ยาอย่างวันนี้มีทายกเยอะมาถวายคือผู้ให้ไา่ทานนั่นเองผู้ให้ทานหรือผู้เป็นเจ้าภาพถวายกรถินหรือผ้าป่าหรือว่าทานใดๆก็ตามเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนมาทาบุญ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 ก็เพราะปรารถนาจะให้รอดตายหายป่วยร่ํารวยมีชื่อเสียงนะหรือว่ามีโชคมีลาบอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์ที่ผู้คนมาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าหมั่นทําบุญบ่อยๆ อ, ยอ น, นิสงส์ประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นได้กับผู้ถวายเหมือนกันนะถ้าไห้ชาตินี้ก็ชาติหน้านะคนสมัยก่อนบางทีก็มาทําบุญก็หวังประโยชน์ชาตินี้เช่นถวายยานะ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 สงบเย็นเป็นสุขถ้าเมื่อถวายแล้วเนี่ยจิตใจก็อิ่มเอิบนะมีความปิติมีความปราโมดอันนี้ก็คืออันนี้สงแล้วนะของการทำบุญนะอย่างโยมวันนี้มาทาบุญหลายคนก็มีความปิตินะปิติมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเวลาลวงกระถินเดินเข้าวัดมานะก็มีความนะยินดีนะเห็นลังคาโบสถ์ลังคาวัดแต่ไกลๆ ก, ก็มีความสุขละ ก็จะได้มาอุปถัมภ์พระศาสนาจะได้มาบํารุงพระสงฆ์มาถึงแล้วก็มาถวายนะจะถวายด้วยมือของตัวเองหรือว่าอนุโมทนาก็ได้บุญทั้งนั้นนะอันนี้ก็ต้องสาวไว้นะว่าอย่าไปคิดว่าถ้าไม่ได้ถวายกับมือนี่จะไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อยจะน้อยหรือมากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามือถวายหรือเปล่ายอยู่ที่ใจถ้ามือถวายแต่ใจกังวลโ น, น่นนี่นะกังวลถึงลูกนะนึกไปถึง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 ส่วนความร่ำรวยจากการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะมันใช้เวลานะนะเช่นทำบุญวันนี้นะก็กว่าจะได้โชคได้ลาบโ น, น่นก็อาจจะสองเดือนหน้านะหรือว่าปีหน้านะแต่ว่าความสงบเย็นในจิตใจหรือความสุขใจนี่ทเดี๋ยวนี้ได้ทันทีเลยนะอย่าลืมนะประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้สงอันนี้อันนี้สงทางใจหรือว่าประโยชน์ทางธรรม อันนี้ประโยชน์ทางธรรมเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะนอกจากความปิติปราโมทที่ได้ทําบุญซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่ถวายแล้วเนี่ยประโยชน์ยังมีอีกมากเช่นถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกต้องถือว่าเมื่อมาทําบุญเนี่ยเรามาทําบุญเพื่อลดความตนันหนีอันนี้เป็นหน้าที่ของทานประโยชน์ของทานโดยตรงเลยนะอุตตรจัดว่านเนี่ยประโยชน์ของทานคือการลดความตนันหนีนะยิ่งเราให้ทานมากเท่าไหร่ ถ้าเราวางใจถูก <Barbie. S 1> มันจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวลดความตันหนี <het. S 1> ลดความโลภนะแล้วคนเราเนี้ยเมื่อมีความโลภน้อยลงมีความตนหนีน้อยลงก็จะมีความสุขง่ายนะได้เท่าไหร่ก็มีความสุขนะเพราะพอใจใ น, <The point. S 1> ในสิ่งที่ได้แต่ถ้ามีความโลภความตันหนีแล้วมันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี่ถ้าเกิดว่าเรามีความสงบเย็นนะเพราะเรารู <The> ้จักละเพราะเราลดความเห็นแก่ตัวลดความตหนี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 เอามาเรียงกันแล้วก็เขียนคำว่าชอบเงินสดนะไม่รู้ตกลงว่าศรัทธาหลวงพ่อหรือศรัทธาเงินกันแน่นะตัลงชอบอะไรกันแน่นะชอบพระสงฆ์หรือชอบเงินสดนะนนี้ระวังนี่บางทีมันซ่อนมานะเราทำบุญทาบุญเนี่ยเราจะไม่ได้ศรัทธาในพระอริยสงฆ์นะแต่เราศรัทธาอยากได้เงินสดมากกว่านะ เ, าเงินแห้งไม่เอาต้องเอาเงินสดด้วยนะนี่ถ้าเรา ชอบเงินสดเนี่ยหรือว่าเอาเงินไปสารานานเนี่ยบางทีมันก็ชักพาให้เราทําชั่วได้นะเช่นคดโกงนะหรือบางทีก็อ่าไปขโมยของวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะจากผู้ร้ายนะขโมยของในวัดเนี่ยว่าธรรมานี่นะไม่ได้มีอะไรนะแต่มีต้นไม้คนก็มาตัดไม้นะปูหลงนี่ได้ข่าวว่าล่าสุดก็ตัดไม้พยุงไปนะนะ อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักบาบุญคุณโทษเลยนะอยากได้เงินอย่างเดียวอันนี้เพราะว่าศรัทธาเงินนะไม่ได้ศรัทธาในาศาสนาไม่ได้ศรัทธาในบุญกุศลไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยอันนี้มันก็พาให้ตกนร ก, กได้นะถ้าศรัทธาผิดที่อ่ะเพราะถ้าศรัทธาผิดที่แล้วผิดอย่างนี้มันก็พาให้ผิดศีลได้นะมันทําให้เห็นแก่ตัวไม่มีจากคะและทําให้มีอวิชชาบดบางทําให้ไม่เกิดปัญญา แต่ถ้าคนเราเนี่ยนะมีนะมีธรรมะไว้ประดับใจมันจะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับให้จิตใจสวยงามนะแต่มันช่วยทําให้ไม่มีความทุกข์ได้นะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะรักษาใจเนี่ยแม้มีโชคมีลาบนะมันก็ทุกข์ได้นะทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยที่หลายๆคนปรารถนาเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ค่ยไ ด, ไ ด, ได้ได้คิดนะว่ามันไม่ใช่ทําให้เกิดความสุขที่แท้ ได้โชคได้ล่ามาแต่ทุกข์ก็มีนะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้ข่าวมมีชาวบ้านคนหนึ่งที่อุดร น, นะเป็นรอปพถูกอลอตเตอรี่รันที่หนึ่งสามสิบล้านนะสามสิบล้านบาทก็ไม่รู้ทำบุญอะไรมานะแต่ปรากฏว่ามีความทุกข์นะเพราะว่าเมียก็ขอบ้างเมียขอสิบล้านเพิ่นไม่ให้นะเมียก็ฟ้องแล้วนี่ก็เลยเป็นคดีผู้คนก็มีทั้ง สนับสนุนแล้วก็มีทั้งดา่าเพื่อนก็เครียดนะถึงกับบอกว่าเนี่ยอยากจะบวชแล้วนะอยากจะบวชแล้วเพราะว่ามันเครียดมากแล้วก็บอกว่าบางทีอาจจะบวชตลอดชีวิตเลยนะคือกลุ้มใจนะจนะมีโชคได้30สิล้านนี่ไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นนะเช่นอา้าวเมียจะมาขอสิบล้านก็ไม่เป็นไรให้ไปเราก็ยังมียี่สิบล้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหวงแหาแล้วเนี่ยนะ แม้แต่แสนหนึ่งหายไปก็เป็นทุกข์ละนะมือหนึ่งหายไปก็เป็นทุกข์ละนะเมื่อ10ปีก่อนนี่มีพอ่อคาหัาเลรยคนหนึ่งนะถูะรัตเตอรี่เหมือนกันนะได้ยี่สิบล้าน2ี่สิบล้านเมื่อ1ิปีที่แล้วนี่มันมากกว่า10บล้านสมัยนี้นะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐคนก็อนุโมทนาด้วยดีใจด้วยบางคนก็ฝันหวานะโอ้นะอยากจะเป็นอย่างเขาเหลือเกินเอาแค่1ิบล้านก็พอผ่านไปไม่ถึงเดือน ขึนหน้าหึ่งไทยรัฐอีกแล้วบอกว่าพ่อค้าหับเล่คนนี้ซดยาพิษฆ่าตัวตายนะไอตอนไม่ถูกนะไม่เคยมีความคิดเลยนะว่าจะฆ่าตัวตายแต่พอถูกแล้วนี่เป็นไง เ, เป็นเป็นยังไงถึงฆ่าตัวตายนะแต่ไม่ตายนะเพื่อนเครียดนะเพราะว่าพอคนรู้ว่าถูกลอตเตอรี่ก็มีคนแห่มาขอเพื่อนก็ให้ให้ไปแล้วไอคนที่ได้ก็ไม่พอใจเพราะว่าอยากได้แสนกับได้หมื่นบางคนก็โทรศัพท์ขู่ฆ่าขู่ฆ่า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 ตอนเป็นพ่อค้าหับเลยหาเชากินขํามีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าอะไรมีความสุขตอนที่ได้ลราถูกลอตเตอรี่ยี่สิบล้านนะสองตัวอย่างเนี้เห็นเลยนะว่าไอการการได้โชคได้ลาบนี่มันไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะได้แล้วอาจจะทุกข์ก็ได้คือเราทุกข์คลาบยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนะเพราะถ้ามีธรรมะเนี่ยนะจิตใจมันก็ไม่วันไหวนะใครเขาจะมาขู่ฆ่าก็ไม่วันไหวใครเขาอยากใครใครมาข อ, ขออยากได้ก็ให้ก็ไปนะ แต่ว่าพอได้แล้วก็เกิดความหวงแหานเกิดความยึดติดนะนั้นพอเขาขู่ฆ่าเขาก็เครียดนะให้เวลาเราอย่าได้โชคได้ลาบเนี่ยถามใจเจ้าของว่าจิตใจเจ้าของพร้อมหรือยังที่จะได้โชคได้ลาบเวลาทําบุญอยากถูกลอตเตอรี่เนี่ยถามใจเจ้าของว่าถ้าได้สิบล้าน20บล้านเนี่ยพร้อมหรือยังว่าถ้าได้แล้วเนี่ยจะมีความสุขเพราะว่าส่วนใหญ่ได้แล้วทุกนะมีตัวอย่างมบนี้อีกเยอะอัตมาไม่มีเวลาจะมาเล่าให้ฟัง บางคนดีใจถูรัตเตอรี่กินเหล้าเมานะขับรถแห่โค้งชนเสาตายนะที่นี่ถ้าไม่ถูรัตเตอรี่นะก็ยังอยู่ได้อีกนานนะแต่พอถูอรัตเตอรี่นี่ตายเร็วเลยเพราะว่าดีใจกินเหล้าขาดสตินะตายนะอย่างนี้เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะนะนั่นนี้เพราะว่าได้โชคได้ทรัพย์ทางทางโลกแต่ว่าไม่มีทรัพย์ทางใจเพราะถ้ามีทรัพย์ทางใจนะก็จะไม่ขาดสติ ถ้ามีทรัพย์ทางใจก็รู้จักปล่อยรู้จักวางได้ไม่หวงไม่แหนเอาไว้แล้ถ้ามีทรัพย์ทางใจนะหรือว่าอาริยทรัพย์นะแม้ไม่ได้โชคไม่ได้ลามนะแม้เจ็บแม้ป่วยก็ไม่ทุกข์นะมีผู้ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนะทางรถยนต์ตัดขานะก็อยู่ลําบากนะภรรยาก็ดูแลได้ไม่นานก็เบื่อหน่ายนะก็ทิ้งตีจากเพื่อนไปก็มีพระไปถามเพื่อนว่า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 เพราะไม่มีอะไรเป็นของเรานะแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะนะไม่มีอริยสัพนะก็จะตี อ, อกชกหัวกุ้ม อ, อกกุ้มใจทําไมกูซวยแบบนี้เสียขาแล้วต้องมาเสียเมียอีกนะอันนี้เรียกว่าไม่มีปั ญ, ญก็เลยทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาแล้วนะเมียทิ้งก็ไม่ไม่ทุกข์ขาหายไปก็ไม่กุ้มใจมีผู้ชายคนนึ่งก็คล้ายกันเลยนะพาคนไปทําค่ายที่แม่ห้องสอนพานักศึกษาไปทําค่ายช่วยเหลือ โรงเรียนในชนบทนะที่แม่ห้องสอนนะขากลับเพื่อนก็ไปแม่สอต่อนั่งรถพานักศึกษานะกลับเข้าเมืองแม่ห้องสอนเนี่ยทางมันเป็นเขาถนนเนี่ยมันวกวนนะมันมีหลายโคง้งประมาณพันพันกว่าโค้งได้ปรากฏว่ารถเนี่ยขับรถพลาดตกลงมาจากเขาตอนที่ตกลงมาเนี่ยชายหนุ่มคนเนี่ยที่เป็นผู้นํานักศึกษาไปออกค่าเนี่ย เพื่อนก็อธิษฐานว่าขออย่าให้ใครนักศึกษาที่พามานี่มีอันเป็นไปเลยปกกับว่านักศึกษาทุกคนปลอดภัยแต่ตัวเจ้าของนั่นแหละนะเจอแรงกระแทกเข้าไปพิการขาไม่ขานะแต่พิการครึ่งตัวตอนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเ<ๆ>พื่อนๆก็มาเยี่ยมหลายคนก็ร้องห่วร้องไห้บางคนก็ตัดเพราะว่าทำไมทำดีถึงต้องมาเจอแบบนี้แต่ว่าคนไข้คนนี้นะแกให้กาลังใจเพื่อน แกบอกเพื่อนว่าก็เพราะทําดีเนี่ยไปสร้างบุญมาเสีนะจึงยังเหลืออยู่ครึ่งยังเหลืออยู่ครึ่งตัวนะยังเหลืออยู่ครึ่งตัวนะคือถ้าไม่ทําความดีนะป่านี้คงไปหมดแล้วทั้งตัวแล้วคือตายนะนี่ขณะพิการนะพิการครึ่งตัวก็ยังรู้สึกว่าเออเป็นพราะเราทําความดีนะมันยังเหลือครึ่งหนึ่งนะถ้าไม่ทําความดีก็หมดไปทั้งตัวอันนี้แล้วว่าเป็นคนที่มีมีทรัพย์ภายในพอมีทรัพย์ภายในเนี่ยมันวางใจเป็นวางใจถูก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 เป็นปกติใจสงบได้แล้วคนนับภาษาอะไรนะกับการเสียทรัพนะเสียทรัพย์เท่าไหร่ใจก็ยังยิ้มได้นะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะโดนโกงไปหกสิบล้านนะเสียใจทั้งหัวทั้งเมียนะเศร้าแค้นแต่ผ่านไปสามวันเมียก็ยิ้มได้เพื่อนก็เลยไปถามว่าได้เงินคืนมาเหรือเธอบอกว่ายังไม่ได้หรอกอาแล้วทำไมยิ้มได้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 และจะทุกไปทำํำไมอันนี้ก็เรียกเป็นคนที่มีนะมีปัญญามีทรัพย์ภายในนะให้เวลาเราทําบุญเนี่ยนะอย่าอย่าหวังแต่หรืออย่าอธิษฐานแต่เพียงขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากๆขอยถูกหวยรวยเบื่อเยอะๆนะแต่ขอให้เราตั้งจิตว่าเออการทําบุญของเราเนี่ยมันจะช่วยลดลากิเลสในใจของเราช่วยทําให้เราเกิดใจที่สงบ รู้จักปล่อยรู้จักวางทำให้ใจเรามีปัญญามีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะที่จะทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงนะเป็นความสุขใจแม้ว่าจะเสียทรัพนะแม้จะเจ็บป่วยนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์สำคัญมากนะนะป่วยกายแต่ใจไม่ทุกข์นะอย่างหลวงพ่อของเราเนี่ยนะท่านก็ป่วยกายนะป่วยหนักนะเจ็บมีทุกขเวทนาเรียกว่าแทบทุก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 แม้เป็นสิวขิวแห้งผมแตกปลายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแนละ้วกุมออกกุมใจนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเป็นอย่างนี้เยอะนะทั้งที่มีครบทุกอย่างนะมีครบทุกอย่างบ้านก็สบายพ่อแม่ก็ดีครอบครัวกอ็อบอุ่นการเรียนก็ดีหน้าตาเธอก็สาสวยนะ h o n e iPad นะเข้าของเทคโนโลยียต่างมีครบเสียอย่างเดียวนะมีสิวเนี่ยกุมออกกุมใจอันนี้เรียกว่ามองไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเราเนี่ย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 บางแห่งก็ดีหน่อยนะ อ, อธิษฐานเป็นกรอนเวลาใส่บาต น, นะข้าวของผู้ฆ่ายกขึ้นเหนือหัวข้าวของผู้ฆ่าขาวมุนดอกบัวนะยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงค์กิตใจจํานงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแย่ขอให้คราบ่วงมานขอให้ไปเกินดนิพพสีอานแค่นี้แหละนะไม่ได้ปรารถนาขอให้มั่งมีศีรษะรอดตายหายป่วยร่ารวยมีชื่อเสียงเลยหวังนิเพียงว่าขอใได้ไปพระนิพพาน ถ้ไม่ได้พระนิพพานก็ขอไปเกิดในยุคศรีอ่านเพราะว่าเชื่อว่าถ้าไปเกิดในยุคศรีอารแล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าเป็นพระโสดาบันอย่างนางสาขาอย่างอนาถปิฏฐิกาเศรษฐีแล้วก็อีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนะก็ฝากเอาไว้นะให้เราได้วางจิตวางใจใถูกในการที่เรามาทําบุญกตินในวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะว่า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 ผู้ที่ถวายหรือเจ้าภาพเราก็ได้บูตเหมือนกันนะอัลละก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศิลัตนัตรัยและอนุภาพบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยให้มีอายุวรรณนสุขะพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีนะไม่ถึงพร้อมโดยทางศีลภาวนานะให้ได้รับประโยชน์แห่งธรรมบํารุงจิตใจให้มีความสงบเย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์ให้มีปัญญา